เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่150ทำบุญเรียกแฟนคืนโดยดังตริน29มิถุนายนพุทธศักราช2550ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษ ด, ดาวเธอมีความ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 เป็นของไม่มีโทษตื่นเช้าและก่อนนอนลองทำบุญตามวิธีที่ผมว่านี้ขอรับรองผลภายในสามวันเจ็วันครับอย่างช้าวันที่เจ็ความงมงายในรักจะคลายฤทธิ์หรือถึงขั้นหมดพิษสง์ลงสนิทคุณจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยจิตใจที่โปร่งโลง่งหูตาสว่างและถามตัวเองว่าที่ผ่านมาทำไมต้องไปมัวหลงเขาไม่เลิก คำตอบก็คือเพราะอำนาจมนต์ดำแห่งความพิศวาสเสื่อมลงแล้วปล่อยให้ใจของคุณเป็นอิสระแล้ว